ข้อความในคาถา น, นะครับที่พระองค์ตรัสไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสฐานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมนะทานที่อย่างยิ่งและยอดเยี่ยมคืออะไรครับธรรมทานนะนะธรรมทานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งและยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรรเสริญการแจกจ่ายทานใดว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมนะครับการแจกจ่ายการอนุเคราะห์ก็คืออนนะ ทานที่ยอดเยี่ยมก็คือธรรมทานแจกจ่ายที่ยอดเยี่ยมก็คือธรรมะอนุเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมก็ด้วยการอนุเคราะห์ด้วยธรรมวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเขตอันเลิศรู้ชัดซึ่งทานและการแจกจ่ายนั้นๆใครเล่าจะไม่พึงบูชาในการอันควรเล่านะครับถ้าหากว่ารู้ผลแห่งการแจกจ่ายเป็นต้นเนี่ยนะรู้อ น, นิสงฆ์แห่งธรรมเป็นต้นเนี่ยนะใครจะไม่แจกจ่ายนะครับ เพราะว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยนะครับก็ย่อมได้ปราโมทปีติปราโมทนะครับได้ความรู้อรรู้ธรรมคนที่รับธรรมก็ได้ปีติปราโมทได้ความรู้อรรู้ธรรมนะครับทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับก็จะได้รู้อรรู้ธรรมเพิ่มขึ้นได้ปีติปราโมทนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดพระริยสัจธรรมที่พระ อ, องค์ทรงสอนทั้งหมด ประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองประโยชน์อย่างยิ่งก็ระดับประมะยาถประโยชน์หมายถึงพระนิพพานนะครับ น, นะของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองผู้มีจิตเลื่อมใสในคําสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับประโยชน์อย่างยิ่งก็จะบริบูรณ์นะประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้ไม่ประมาทแล้วในคําสั่งสอนของพระสุคตย่อมหมดจดนะครับทีนี้อัตตกถาอธิบายว่า บทว่ายมมาหูทานังประมังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสว่าทานใดว่ายอดเยี่ยมคือสูงสุดโดยความที่จิตคือเจตนานะครับคือเจตนาอันนี้หมายถึงผู้ให้นะเขตหมายถึงผู้รับทัยรรมเป็นของโอฬานหมายว่าของที่จะให้คือองค์ประกอบของการให้นะครับมีสามอย่างนะหนึ่งเจตนาของผู้ให้สองผู้รับแล้วก็ของที่จะให้นะครับนะครับวัตถุที่จะให้นั้นนะ หรือโดยยังพวกคสมบัติเป็นต้นให้บริบูรณ์คือยังโภคสมบัติเป็นต้นให้เลผลผลอีกอย่างหนึ่งนะครับพงตรัสว่ายอดเยี่ยมเพราะย่ำยีกําจัดซึ่งธรรมะอันเป็นปฏิบัติอื่นๆมีโลภะและมัจฉริยะเสียได้อันนี้นะว่าการให้ทานเนี่ยนะครับทานที่มีผู้เจตนาที่ให้มีของที่จะให้มีผู้รับเนี่ยนะครับการให้ลักษณะนี้เป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขที่จะพึงได้รับนะครับเป็นเหตุแห่งโภคสมบัตินะครับ อย่างที่พระ อ, องค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าคนเราเอื่นรู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนที่พระ อ, องค์รู้นะครับถ้ามีผู้รับนะถ้าไม่ให้ก่อนจะไม่บริพกหวังกันเถะถ้ารู้อนิสงฆ์แห่งการให้ใช่ไหมอย่างเมธกเกษตรีอดีตชาติเนี่ยนะเหลือข้าวอิ่มเดียวอนะอก็คิดว่าเออเนี่ยนะถ้าเรากินมื้อนี้เราก็มีชีวิตอยู่วันสองวันนี่แหละแต่ถ้าว่าหากว่าเราให้ทานแก่พระผู้เป็นเจ้าพระปัจเจกพรพุทธเจ้านะครับผู้เป็นพระอรหันเนี่ยนะ ออวัตถุทุกอย่างนี้เราก็จะไม่อดอยากแบบนี้อีกแล้วนะครับท่านก็ตัดสินใจให้ไปเนี่ยชีวิตของตัวเองที่ที่จะมีอยู่มันก็หน่อยเดียวเองทำบุญ น, นี่ดีกว่าเพื่อสุขสบายในแสนโกรกลับเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่รู้ผลแห่งการให้ทานในลักษณะนั้นก็จะได้รับความสุขจริงๆชาติหลังๆมาเมนทกะเศรษฐีก็ร่ารวยจริงๆด้วยนะครับ ร่ำรวยมหาศาลเนยนะผู้เป็นปู่ของนางวิสาขานะครับก็คิดดูว่าล้านนี่มีเครื่องประดับชุด9โกดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทียบสมัยนี้ก็ประมาณ90ล้านอย่างเงี้ยนะ<ม>เครื่องประดับระดับนั้นนะครับนะเป็เป น, นเหมือนกระตู้เพชรตู้ทองคำเป็นต้นเคลื่อนที่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นโหร่ำรวยขนาดนั้นนะ บทว่าอนุตตรังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสทานใดชื่อว่าเว้นจากทานอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและให้สำเร็จความยิ่งใหญ่เพราะยังเจตนาสมบัติเป็นต้นให้เป็นไปดียิ่งเพราะความเป็นทานมีผลเลิศโดยความเป็นยอดแห่งทานอนุตตรังก็หมายถึงธรรมทานนะครับธรรมทานนี่เป็นยอดของทานทั้งหลาย บทว่ายังสังวิพาครังนี้เพิ่งเอาบททั้งสองว่าประมังอนุตรังมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยนะครับบทว่าอะวันนี้ยังความว่าประกาศแล้วคือสรรเสริญแล้วโดยในเมียที่ว่าภิกษุทั้งหลายทายกเมื่อให้โภชนะย่อมชื่อว่าให้ฐานะยะห้าแก่ปฏิคาหกทั้งหลายนะคือผู้ให้ผ้าคือผู้ให้วันณะเป็นต้นเนี่ยนะครับใช่ไหมผู้ให้ผ้าให้วันณะให้ผิวพันให้อะไรนะ อายุวันณนะสุขกําลังปฏิพานนะครับให้ข้าวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลลักษณะ น, นั้นที่พระองค์ตรัสไว้นะหรือว่าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าว่าสาธทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทานอย่างนี้นะครับถ้ารู้ผลแห่งการจําแนกทานเหมือนอย่างที่พระองค์รู้เนี่ยนะถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนก็จะไม่บริโภคแล้วก็พระองค์ก็ตรัสไว้เรื่องการให้ทานในเวลามาสูตรในทักคีณาวิพังกระสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในทานสูตรแม้กระทั่งใน คัมภีสังยุตตนิกายสขารวรคนะครับที่พระองค์ทรงตรัส ก, กับเหล่าเทวดาทั้งหลายหรือเทวดาทั้งหลายมาเล่าให้ฟังถึงผลแห่งการให้ทานนะครับทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขอโยมบางคนเนี่ยนะครับที่มีฐานะดีนี่นะแกเล่าว่าคือเขารวยมากนะครับรวยเป็นร้อยล้านะนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรอกครับเขาก็เป็นกะลาสีเป็นคนรับจ้างรายวันนี่แหละครับ เป็นพวกคนงานในเรือบ้างนะครับเป็นกระเป๋ารถเมยบ้างอะไรบ้างนะครับตอนหลังก็มาเก็บพร้อมรอมริบนะครับก็ซื้อรถแท็กซี่ว่างั้นเถะแต่แกบอกว่าแกก็ให้ทานมาตลอดนะชอบให้ทานเป็นอัธยาศัยอยู่แล้วนะครับให้ทานเนี่ยให้มากแล้วก็ชอบทําให้ทานแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็พอร่ำรวยระดับหนึ่งก็จกําแนกทานเนี้นะครับก็ทําอย่างเงี้ยนะจากซื้อรถแท็กซี่จากขายรถแท็กซี่มาซื้อรถ รถเมยนะครับรถโดยสารนี่ยนะครับก็เริ่มจากคันหนึ่งเป็นสองคันสมคัน4ี่คันทุกวันเป็นร้อยคันนะครับแล้วก็ก็เป็นนักให้ทานจริงๆจะเล่าว่าบางวันเนี่ยแกผัดกว๋วยเตี๋ยวให้ทานเป็นร้อยกิโลกรัมนะครับผัดอย่างเดียวเนี่ยนะผัดให้ทานเป็นร้อยกิลกรัมเนี่ยนะทำข้าวกับข้าวกับปลาเป็นแกงนี่ยนะเป็นม่มหม้อเนี่ยหลายๆหม้อไปทำบุญเนี่ยนะครับกรถินอะไรเงี้ยโอ้ปีหนึ่งไม่รู้กี่แห่งแต่กี่แห่งก็ทานหน้าแกก็รวยจริงๆนะครับแต่ก็เล่าว่า ก็เป็นคนยากจนธรรมดาธรรมดาขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้รวยมาตั้งแต่อ่อนได้ออกอะไรหรอกแต่แกก็เลยบอกว่าผมเนี่ยที่ผมมีทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าทานในชาตินี้แหละที่เขาทํานะครับเขาจึงเป็นนักทำบุญ ท, ที่ที่หาตัวจับยากเลยนะครับไม่ใ ช, ใ ช, ใช่ต่อไปนะครับเนีย่ยนะถ้าหากว่าใครรู้ผลแห่งทาน น, นะก็เพื่อจะทรงแสดงทานและวิธีที่ การจำแนกทานว่ามีผลอย่างยิ่งคือยอดเยี่ยมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอักคหิดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอักคหิความว่าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐที่สุดคือเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะประกอบด้วยคุณพิเศษมีศีลเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเวลาจะให้ทานก็ควรอุทิศไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าอุทิศไปหาพระอริยสงฆ์นะครับ ผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมนะครับผู้มีคุณธรรมคือศีล น, นะครับคือศีลทางกายทางวาจาแล้วก็สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ์นเป็นต้นนั่นเองนะครับทุก่ ค, ครับให้คําว่าอุทิศไปหาพุทธเจ้านี่หมายความว่าไงคือเวลาจะให้นี่นะก็น้อมใจไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับให้เวลาให้ก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับก็ให้ทานไปนะครับ โดยพ ย, ยัญชนะในคำว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงนะครั บ, รบมุ่ง<อ>มุ่งไปหาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับหรือว่าให้ทานแล้วก็เจาะจงไปหาพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีแล้วนะครับบทว่าประสานนจิตโตความว่ายังจิตให้เลื่อมใสคือกําหนดด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมและความเชื่อรรในพระธนรมตรายนะครับเวลาจะให้ทานเนี่ยนะควรปรารบกรรมสกตานะครับหรือว่ายังศรัทธาให้เกิดเพราะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับลักษณะของศรัทธาที่เป็น กรรมมกตาศรัทธาศรัทธาที่เชื่อในกรรมและผลของกรรมนะครับอย่างน้อยที่สุดเจตนาที่ให้นะก็ปราบะเออ เมื่อจิตคิดจะให้หรือเจตนาที่กําลังให้นะชาวนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจให้ผลชาติหนะ้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สาเป็นต้นไปถ้าไม่ปรินิพานกรรมอ น, นี้จะต้องให้ผลอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็ปราลบอย่างนี้หรือว่าที่เรามามีอยู่มีบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยนะเนื่องจากอดีตเนี่ยเราทําเหตุมาทําบุญมานะเราจึงได้บริโภคใน ในทุกวันเนี่ยนะแล้วผู้ที่ไม่ได้กินไม่ได้อยู่ไม่ได้บริโภคเนื่องจากไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นมานะครับก็มีกรรมสกตาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้แล้วก็แจกจ่ายทานไปนะครับหรือว่าปารบคุณของพระพุทธเจ้าเจริญพุทธคุณธรรมคุณนะครับแล้วก็ตรัสว่าเอออย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าทานนี่แหละครับเป็นเหมือนกับเหมือนกับเรือสำหรับคนที่จะข้ามฟากเหมือนกับ สเสบียงสําหรับคนที่จะเดินทางไกลเหมือนกับเชือกสําหรับคนที่จะไต่นะครับจะไต่ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีเชือกจับก็จะตกจะหล่นง่ายนะครับทานนี่เหมือนกับที่นั่งอันประเสริฐทานก็เหมือนกับช้างแก้วมา้าแก้วเป็นต้นนะครับที่จะถ่วยทําให้ถึงที่กเกษมและปลอดภัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเชื่อผลอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วนะว่าการให้ทานนั้นมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อมั่นในคําสอนของพระองค์แล้วก็ให้ทานไปนี่เรียกว่าให้ด้วยความเลื่อมใสนะครับ ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าที่ที่เวลาเราจะเอาของเอาของทั้งหลายเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้านี่นะครับทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วเช่นบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแต่นี้ไม่ได้บูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยโภชานาอาหารก็อย่างอื่นก็ได้นะครับก็เป็นอามิสบูชานะครับเห็นไหมเช่นให้ข้าวให้น้ําให้ดอกไม้ของหอมให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ทําเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นอมิสบูชานะครับได้นะเอาข้าวเนี่ยนะเป็นทําเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก็เหมือนกับทําบุญด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นนั่นแหละครับเพราะว่าวัตถุที่เป็นเครื่องบูชานั้นก็ประกอบด้วยข้าวน้ําผ้ายดัดยานพาชนะดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนั่นนะวันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นพุทธบูชาได้ เ, เรียกว่าอมิสบูชานะครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ส่งเสริมให้ทําธรรมบูชา หรือเรียกว่าปฏบิบัติบูชามากกว่านะครับพระองค์เน้นให้ให้ปฏิบัติทําให้มากนะครับเพื่อที่เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องบรรณาการพระองค์จะชื่นชมมากกว่าอย่างนั้นแต่มากกว่าที่จะเอามิตรไปบูชาพระองค์นะครับพอการครับได้รู้สึกว่าเรื่อ ง, องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่พระนรินทร์ทำการทําการบูชาพระพุทธองค์หลังปรินิพพานแล้วคือมีการทําวัดทําอะไรต่าง รู้สึกว่าประเพณีการถวายอาหารก็มุ่งเนื่องมาจากนั้นด้วยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าวัตถุที่เป็นเครื่องบูชาทั้งหลายแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําดอกไม้ยอดยานพาหนะาของหอมเป็นต้นนะนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำพุธเป็นพุทธบูชาได้หมดนะครับเห็นดอกไม้สีเหลืองเหลืองเขามีบดอกบวบคมเนี่ยนะฮะดอกมะลิดอกนำงามอะไรกับเขาไม่ได้กัดอกบวบขมเนี่ยแหละครับทําเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก็ไม่หรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับ สิบนิ้วนะครับประชุมกันนะครับเหมือนกับดอกบัวเนื้อทวมหัวเป็นพุทธบูชาก็ได้นะครับก้มกราบก็ได้อะไรก็ได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอมิสบูชาทั้งนั้นนะครับเป็นสการะเป็นบรรณการของคนทุกคนยากนะครับของทุกกตะเข็นใจทั้งหลายและเนี่ยนะก็ทำไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าพราะองค์ชื่นชมนะครับ ปฏิบัติบูชามากกว่านะครับแต่อมิตรบูชาเนี่ยนะจะบูชาก็ได้นะครับด้วยอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปเอาเหล้าบูชาพราะองค์นะมันมีสำนักบางสำนักโอ้เอาเหล้ามาดรินเป็นบูชาพราะองค์เนี่ยนะบาปมันให้ผลสงสายเป็นเกิดมาอยู่ในอ่างเหล้าตลอดมนะั้งเนาะอบุญ น, นี่มันให้ผลนะนะเกิดมาก็มีแต่เหล้าเลยนะเออทําเหตุยังไงได้ผลนะครับ นึกถึงหลานอนาถา บ, บินทิกาเศรษฐีนะครับแกอดีตชาติเป็นนักมวยมีผ้าไปบูชาพระเจดีก็ตั้งความปารธนาว่าหญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็โอ้โหกลัดกลุ้มใจให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมอมันั้นก็ทําให้ผิดกาเม ม, มาหาศาลจิตที่ตั้งไว้ผิดดีเนีเกิดสมัยพุทธกาลได้ฟังธทำแล้ว ย, ยังได้บรรลุมรรคผลนะครับถ้าเกิดในสมัยอื่นเนี่ยโอ้โหขอขาดเหนั่นก็ชะตาขาดแล้วนะขาดจากสวรรค์ขาดจากนิพพานนะครับเพราะทําเหตุแห่งอบายทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ okay. ับเกี่ยวว่าเกี่ยวกับเรื่องการบูชาข้าวเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยเขาบอกว่ามีบางตำนัดบางวัดนะเขาบอกกับพาญาติโยมไปถวายข้าวบูชาข้าวพระพุทธเจ้าอยู่บนสูงสวรรค์ทั้งนั้นทั้งนี้น่นนะว่าถวายเอาไปไม่ไม่ได้บูชาเป็นการถวายเอาไปถวายท่านไดฉันคล้ายๆกับถวายพวกเปรต <c oughs> <c oughs> ให้ให้กับพวกเปรตพวกอะไรเงี้ยกำลังครับ ผมไม่รู้นะครับไม่ได้เรียนวิชานั้นมาเลยนะครั บ, รบแล้วผมไม่เชื่อด้วยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีนายคำพีด้วยนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคนตาบอดนี่ทำได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่คนที่มีวิชาทำไม่ได้นะครับ นะควิชานี้พาให้ทำได้หมดเลยนะครับก็ในพระตัยวิโดกบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายดับขันตปนีนิพพานเหมือนกับไฟกองโตเนี่ยนะครับที่ดับไม่มีเชื้อแล้วนะจะไปหาที่ไหนได้นี่ก็ยังมาแอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อีกนะครับเพื่อประสงค์อะไรครับนีประสงค์อะไรนะคั บ, คบทำแบบนั้นนะครับต่อไปนะว่า ที่คำว่าประสานจิตโตเนี่ยนะครับคือยังจิตให้เลื่อมสายกาหนดด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมและความเชื่อพระัตนมตรายอธิบายว่าทานคือการให้ทยธรรมแม่น้อยนะครับของแมจะน้อยนะย่อมมียนุภาพมากคือสว่างโชช่วงแผ่ไพศาลได้มากเพราะถึงพร้อมด้วยเจตนาสัมปทานะครับ คือเจตนาสัมปทานนี่หมายคำว่าผู้ที่ให้เนี่ยนะมีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้าปรารบคุณของพระรัตนตรยัยเจตนากรให้ก็ผ่องใสกําลังให้ก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจเอาไว้ได้แล้วก็ผู้รับก็ถึงพร้อมด้วยเขตนะครับหมายคำว่ามุ่งหรือเจาะจงไปหาพระพุทธเจ้าเจาะจงไปหาอริยะสาวกของพระ อ, องค์ทั้งหลายสมดังที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่าจิตที่เลื่อมใสแล้วทักษิณาทานที่บําเพ็ญในพระตถาคต ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเท้าสากะก็ยังตรัสไว้อีกว่าทานเวลาที่บุคคลเนี่ยนะครับทำบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะตอนที่พระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วหรือตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันนะถ้าศรัทธาเท่ากันทำศรัทธาให้ได้เท่านั้นได้ไหมล่ะนะครับ บทว่าวินยูได้แก่ผู้มีปัญญาบทว่าปัชชานังคือผู้ที่รู้ชัดผลแห่งทานและอ น, นิสง์แห่งทานโดยชอบทีเดียวนะครับก็เรื่องผลแห่งทานนะการให้ทานและผลแห่งทานเนี่ยนะครับจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนก็บอกโอ้ยมันมันมั น, มนหวังผลนี่หวังจะไปเป็นอะไรไปนะครับนะหวังก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่พระพุทธเจ้านะครับตอนที่เป็น พระเวสสันดรเนี่ยนะครับให้ก็หวังนะถ้าหวังว่าไงหวังท่านตั้งความหวังว่าขอให้ตายจากพระเวสสันดรเนี่ยนะไปเกิดในชั้นดุสิตตายจากดุสิตนี่ให้มาเกิดเป็นเป็นชาติสุดท้ายขอให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นต้นท่านก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ไปดุสิตก่อนนะครับหลังจากเป็นดุสิตจากดุสิตแล้วจึงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะเพราะฉะนั้น แต่ปัญหาเนี่ยนะถ้าหวังก็หวังก็หวังให้มันสุดไปเลยนะแต่แต่บางคนก็บอกโอ้หวังกลัวจะไม่ได้ผลมากบางท่านเถอะกลัวจะได้บุญ น, น้อยเลยไม่กล้าหวังเลยคือเลยไม่กล้าตั้งความปรารถนาเลยบางทั้นเถอะเพราะฉะนั้นไอการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะครับเชื่อไหมเรียกว่าอภินิหารนะการที่ทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอภินิหารนะครับเช่นพระมหากัสริยทั้งหลายเนี่ยในอดีตชาติเวลาท่านให้ทานท่านก็ตั้งความปรารถนา พระอนุนเนี่ยนะครับในอดีตชาติท่านให้ทานเป็นต้นท่านก็ตั้งความปรารถนานะครับพระอนุนก็ตั้งความปรารถนามาปุ๊เพื่อเป็นพระอนุนอะนะพระมหากัสปะในอดีตชาติก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระมหากัสปะภาษาริบุตรพระโมกัลานะเป็นต้นแม้แต่พระพุทธเจ้าในอดีตชาติคือพระองค์อะนะสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้รมพระองค์ก็ทําบุญและตั้งความปรารถนาแต่ความปรารถนาของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาษาวกทั้งหลายให้ทานและตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นภาษาวกทั้งหลายแต่เราก็อย่าไปตั้งความปรารถนาขอให้เกิดเป็นคนรูปลอหลอมีเมียสวยๆอะไรเงี้ยนะอย่าถ้าไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องหรอกครับถ้าอย่างนั้นอย่าไปตั้งเลยนะครับนะแต่ก็อาสวัคยวหงังนิพานนางหโหตัวอย่างนั้นแต่ขอให้ทานนิชาติหน้าให้สวยด้วยรวยด้วยอย่างเงี้ย น, นะแล้วก็บรรลุนิพานด้วยถ้าอย่างนี้ก็แจ๋วนะครับเอาให้หมดเลยนะยังไงก็ให้มันครบรอบเลยนะ นาะบทว่าโกนะชะเยทะกาเลความว่าใครเล่าจะไม่พึงให้ทานในเวลาที่สมควรอธิบายว่าทานย่อมสำเร็จเกิดมีเพราะเวลาที่ประจบด้วยเหตุสามอย่างเหล่านี้นะเออทานเนี่ยนะครับจะให้ได้เนี่ยด้วยองค์ประกอบ3ามอย่างนะครับ1ศรัทธานะศรัทธา2ทยธรรมทยธรรมของที่จะให้นะสผู้รับผู้รับไม่ใช่เกิดด้วยประการอื่น เพราะฉะนั้นผ่านรุธะเนี่ยนะครับสมัยที่เกิดเป็นอเนภาระเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยท่านเกิดเป็นทุกขะเข้นใจเป็นคนยากคนจนอาชีพเกี่ยวหญ้าให้เศรษฐีวังนั้นเดี๋เลี้ยงสัตว์ให้เศรษฐีเนี่ยนะเกี่ยวหญ้าบางครั้งก็บอกคิดว่าบางวันเนี่ยนะเรามีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมและไม่มีผู้รับ บางครั้งศรัทธามีทายรรมมีแต่ไม่มีผู้รับบางครั้งศรัทธามีผู้รับมีแต่ทาย ร, รมไม่มีวันนี้ประจวบเหมาะมีทั้งศรัทธามีทั้งของที่จะให้และมีทั้งผู้รับเนี่ยนะครับที่เราไม่ได้ให้ทานมาเกิดเป็นคนทุกคนยากอยู่อย่างงี้เพราะไม่ได้ให้ทานไว้แต่ปางก่อนปรารบกรรมมศกตาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ให้ทานไปนะครับ แล้วก็ตั้งความปาถนะไอ้คำว่าไม่มีอย่าได้ยินอีกต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังได้กินขนมไม่มีเลยนะครับอร่อยนะขนมไม่มีนะครับขนมทิพย์ว่างั้นน ะ, นะถ้ามีบุญนะแต่ว่าองค์ประกอบของการให้นะศรัทธาทยธรรมและปฏิคา6ถามว่าสามอย่างนี้อะไรหาได้ยากศรัทธาทยธรรมและปฏิาปคาหพระองค์ตรัสว่าศรัทธาเป็นของหายากนะครับใช่ไหมก็เราเราเนี่ย <S <S นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยนะของที่จะให้ก็มีผู้รับก็บมี อกินจะให้ไม่มีอ่ะนก็เลยไม่ให้อ่ะเพราะฉะนั้นศรัทธานี่หายากนะครับศรัทธาหายากน ะ, ะเพราะฉะั้นกรรมสกตาศรัทธาตถาคตโทธิศรัทธาเป็นต้นเนี่หายากนะครับเพราะพาเพราะขาดอาหารนะขาดอาหารนะคะะรับก็คือควรตั้งนะครับจะสําเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ากระบวนการในการปฏิบัติเนี่ยสมควรแก่เหตุผลไหมว่างั้นเถอะนะคือไอ้ตั้งก็ตั้งได้ละแต่ว่าจะสําเร็จจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าองค์ประกอบอนะ องประกอบนะนะเหมือนกับการเดินทางนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความปาถนาอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบอย่างอื่นเช่นมีรถมีเรือมีค่าจับจ่ายใช้สอยในระหว่างทางเป็นต้นไม้ที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางนะการตั้งความปาถนาก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ที่ตั้งปาถนานี่นับว่าดีแล้วนะครับขอจงเป็นไปเพื่อการตรัสรูมม้มรรคผลที่องค์สมเัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับ ตรัสรู้แล้วก็ขอตรัสรู้ตามแต่จะบรรลุเมื่ อ, อไรหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องดูองค์ประกอบว่าคู่ควรหรือยังที่จะบรรลุธรรมะของพระ อ, องค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ดีแล้วต่อไปเราก็ควรรู้ว่าพระ อ, องค์บรรลุอะไรบ้างนะครับก็ควรมาทําความเข้าใจาให้ถูกต้องว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่เพราะบรรลุอะไรนะครับบรรลุตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าหรือมาบรรลุตอนที่ ที่ควงไม้มหาโพแล้วบรรลุตอนนั้นบรรลุอะไรบ้างบรรลุยังไงทําไมจึงบรรลุคนอื่นก่อนนั่งเหมือนกันทำไมไม่บรรลุเหมือนพระองค์เนี่ยนะครับเออแล้วบรรลุแล้วรู้อะไรบ้างสอนอะไรบ้างนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจจะต้องศึกษาคุณในส่วนตรงนี้ให้ให้เข้าใจให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีความเข้าใจอย่างเพียงพอแล้วก็จึงคู่ควรแก่การบรรลุนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะแล้วคนอื่นเข้ามาบอกคุณบรรลุแล้วนะ เออยุ่งเหมือนกันนะครับหนักๆเข้าจะเชื่อว่าตัวเองบรรลุจริงๆเข้าแย่เลยนะยกตัวอย่างพระพาหิยะทารุจริรยเนี่นะครับโอ้ยแก่ผ้าทงทงทงทงใครเห็นโอ้อารหันอารหันเชื่อเลยนะเออหนักๆเข้าเออสงสัยเราจะเป็นอารหันจริงๆไว้นะครับหรือว่าคนที่เป็นพระอารหันที่มีอยู่ในโลกเราก็คนนึ่งละมั่อารหันนะครับจริงๆมาได้อะไรสักอย่างแล้วครับกิเลสก็เต็มหัวใจเท่าเดิมนั่นแหละแต่คนมาเชียร์หนักๆเข้าเลยคิดว่าเป็นจริงนะครับ เพราะฉะนั้นลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านบนรรลุอะไรนะคะนรับบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอะไรบรรลุอะไรบรรลุแล้วรู้อะไรบ้างนะครับละอะไรบ้างทําให้แจ้งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เจริญอะไรบ้างนะครับมีคุณธรรมอะไรบ้างก็นี่คือประเด็นที่ควรจะทําความศึกษาให้ต่อไปนะครับแต่ที่เจตนาตั้งใจไว้เพื่อความตรัสรู้ธรรมะของพระองค์ก็ดีแล้วคู่ควรแก่การอนุโมทนาในส่วนนี้นะครับ นะครับก็ถ้านั่งหลับสนิทเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเมือกันนะครับคือคือในในส่วนข้อปฏิบัติในยุคทุกครับในในทุกวันนี่นะครับว่าคนที่จะพยากรณ์ได้อย่างที่ว่านะคนนั้นก็ต้องมีบรรลุอะไรแล้วนะครับนะผู้ที่เป็นอาจารย์ก็ต้องบรรลุอะไรแล้วล่ะ แต่ทีนี้ผมค่อนข้างสัทธานในแนวพระตายวิดกมากกว่านะครับที่จะไปนั่งนั่ง น, นิ่ ง, งสงบเงียบกริบเลยก็บอกว่าบรรลุนั่นบรรลุนี่นะครับเสร็จแล้วคนที่ไปคิดว่าบรรลุตอนหลังก็ไปศึกษาลาเพศมีกิเลสตัณหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะรับระงับดับกิเลสอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้น ผมมาเน้นในเรื่องของการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะเรีบปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้ครูอาจารย์ยัดเยียดให้เราว่าเออนี่แกโสดาบันแล้วนะแกสกทาคามีแล้วนะแกอนาคามีแล้วนะโยมผู้การเล่า ว, ว่าผู้พิสาของกนนั้นนะก็บอกว่าเบนทอริยะนะก็ไปปฏิบัติในค่ายหนึงเขยกว่าเป็นอาริยะนะครับในโยมที่เชียงใหม่คนหนึ่งเนี่ยนะครับในค่ายหนึ่งเนี่ยนะเขาก็บอก ว, ว่าโสดาบันของค่าย น, ะนั้นนะว่างั้นแ ต, แต่ก็ ถูกยัดเยียดให้นะครับทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับโลผ้าก็เท่าเดิมโทรศัก็เหมือนเดิมทุกประการหมดนะครับแต่ว่าบรรลุนี่แม่งน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าบรรลุอะไรนะครับว่าหรือไม่เรากําลังถูกเขาล้วงกระเป๋าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขามายัดเยียดตําแหน่งให้เราเนี่ยนะครับเขาจะยืมเงินจะขอสตังเราใช้หรือเปล่าก็ต้องคิดในส่วนนั้นด้วยนะครับถ้าเขาพยากรณ์ว่าโสดาอาจจะได้แสนหนึ่งยังไงใช่ไหมครับเราอาจจะทุ่มเทให้เขาแสนหนึ่งถ้ากระเป๋าเราหนักเป็นต้นเนี่ยนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ต้อง ค, ควรใคร่ควรวญให้ดีซะก่อนนะครับนะถ้าเรากิเลสเท่าเดิมแล้วใครมาบอกเราว่าบรรลุอันนั้นอันนี้เนี่ยนะครับพิจนนารณาเถอะครับว่าหน้าใกล้จะหมดตัวแล้วนะครับนะรูดซิปไว้ให้ดีๆเถอะนะครับ<ส><ญ>พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแ ส, งสดงการจำแนกและการอนุเคราะห์ด้วยอมิสถานด้วยพระคถาที่หนึ่งแล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงการจำแนกและการอนุเคราะห์ด้วยรธรรมทาน จึงตรัสพระคถาที่สองว่าเยเจวะภาสันติดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุภยังความว่าคนทั้งสองฝ่ายคือผู้แสดงและผู้ฟังนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าภาสันติสุนันตินะคือคนกล่าวกับคนฟังนะในบทว่าอุภยังนี้มีความย่อดังต่อไปนี้ว่าคนเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสในศาสนาคือพระศัพท์ธรรมของพระสุคตนะครับโดยเฉพาะพระปริยติสัพท์ธรรมของพระสุคตเนี่ยนะครับ คือพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นประธานคือวิมุตตายตนะนะครับตั้งอยู่ในเหตุแห่งความหลุดพ้นเนี่ยนะครับย่อมแสดงด้วยย่อมฟังด้วยประโยชน์กล่าวคือธรรมทานการแจกจ่ายธรรมและการอนุเคราะห์ธรรมด้วยธรรมะของผู้แสดงและปฏิคาหกเหล่านั้นชื่อว่ายอดเยี่ยมเพราะยังประมาทประโยชน์คือพระนิพพานให้สาเร็จนะครับเชื่อว่าบริสุทธ เพราะหมดจดจากมนทินที่ทำความเศร้าหมองทุกอย่างมีความเศร้าหมองเพราะตัญหาเป็นต้นถามว่าของคนเช่นไรตอบว่าคนผู้ไม่ประมาทในคําสอนของพระสุคตคือผู้ที่ไม่ประมาทในคําสอนของพระพุทธเจ้านะผู้สุขโตผู้ใช้เขามาสุขโตนะสุขโตหมายความว่าไงบ้างครับอาจารย์ระโมทช่วยสงเคราะห์ผมหน่อยสุขโตครับขอโอกาสครับสุขโตแปลว่าไปดีแล้วอธิบายว่า อธิบายว่าไปแล้วสู่อริยมรรคทางทางอาริยมรรคมีองค์8สู่ทางแห่งพระนิพพานเว้นทางสองทางคือคื อ, อ, คอมิจฉาทิฏฐิได้แก่พวกสัสจะทิฏฐิและอุเฉทิฏฐิแล้วก็เว้นทางเว้นข้อปฏิบัติข้อข้ อ, ข, อข้อปฏิบัติที่ผิดใช่ไหมครับเช่นเป็นตักตรีดามถาโยก แล้วก็การมาสุขัดดการนิยมครับผมนั่นแหละเป็นสุขโตนะครับแล้วก็พระองค์นั้นก็เสด็จนะเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นต้นนะครับไม่เจริญไม่ได้นะรับก็จะฉีดแถวนี้นะครับเชอดกันก็เชือดแถวนี้น ะ, ะไม่รู้จริงก็เสียหายกับตอนนี้นะร่วมหมดนะครับ ทีนี้ต่อไปนะครับถามว่าคนเช่นไรนะครับคือผู้ที่ไม่ประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คนเหล่าใดไม่ประมาทในคำสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าคือในโอวาทที่ทรงพร่มสอนที่พระองค์ทรงประกาศแล้วโดยสังเขปอย่างนี้ว่าการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงนะครับถ้าคนที่ไม่ประมาทนะปฏิบัติตามคำสอนนี้ว่าสาพาปปสักกรนั่ง อุสรสู้พระสัมพรดาสัจจิตาประโยชน์ปานังเอตังพุทธานศา ส, สนังนี่นะครับว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงนะครับการยังกุศลให้ถึงพร้อมการยังจิตของตนให้ผองแผ้วนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังสิกขาทั้ง3มนะครับคือบําเพ็ญสิกขาสามคืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาให้ถึงพร้อมนะครับโดยเคารพย่อมบริสุทธิ์แก่คนเหล่านั้น ย่อมอย่างคนเหล่านั้นให้ผ่องแผ้วเกินเปรียบด้วยอรหัตผลวิสุทธินะครับคือถ้าประพฤติปฏิบัติตามนี้ด้วยสิกขาสามก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าการตรัสรู้ธทำการบรรลุธรรมนั้นจะต้องเป็นไปตามสิกขาสามคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเจริญตามสิกขาสามแล้วนะครับก็จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือตรัสรู้อริยสัจจะทำทั้งสีประการ ผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจโดยสิ้นเชิงนั้นต้องระดับผ้าอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าถ้าบรรลุในระดับผ้าอรหันต์แล้วจะไม่เหลือกิเลสใ ด, ดๆเลยนะครับแล้วก็จะไม่ย้อนกลับไปไม่ย้อนกลับมาสู่ภพนี้หรือจะไม่มีการไปในภพใดภพหนึ่งโดยประการทั้งปวงนะครับ